การออกพรรษาก็ไปหมดเขตวันลอยกระทงจึงเรียกว่าการละทานการละทานคือว่าทานที่อ่บำเพ็ญได้เป็นช่วงๆกาหนดเดินก็จะมีมิตรสหายญาติโยมมาร่วมทอดกระถินกัน หลายคนเป็นประจำเช่นนี้ทุกปีแต่ว่าปีนี้ได้ทราบว่าหลายท่านขอตัวบอกมาไม่ได้สาเหตุก็เพราะว่าติดเรื่องน้ำท่วมบางคนก็บ้านก็ท่วมไปเรียบร้อยแล้วนะบางคนก็กำลังเตรียมรับมือ เพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้มืรืนนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนทั้งใครที่อยู่กรุงเทพก็ต้องเจอศึกสองทางนะทางนึงก็มาจากทางเหนือน้ำเหนือไหลาบาาตอนนี้ก็ประชิดมาถึงปถุมธานีแล้วทางใต้ก็น้ำจากทะเลเอ่าวไทยก็หนุนเข้ามาก็เลย มาไม่ได้กันหลายคนปีนี้น้ําท่วมนี่ถือว่ารุนแรงมากความเสียหายนี่ถ้าวัดเป็นตัวเงินแล้วอาจจะมากกว่าตอนที่เกิดภยัยสึนามิเมื่อเจ็ดปีก่อนถึงแม้ว่าคนตายจะน้อยกว่ากันมากประมาณว่าคนที่ประสบภัยน้ําท่วมนี้อาจจะมีถึงแปดล้านคนก็ประมาณ ถึง 15% ของประชากรไทยพวกเราคิดว่าทุกคนนี่คงไม่มีใครคงไม่รู้จักคงจะต้องมีเพื่อนหรือคนรู้จักอย่างน้อยคนหนึ่งที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งที่จริงก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนี่บางคนก็น้ำท่วมมาครบเดือนแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลด ความเดือดร้อนนี้ก็เรียกว่าเป็นวิกฤตได้ทีเดียวนะเมื่อวานนี้ก็มาจากขอนแก่นไปผู้ที่ขอนแก่นมาก็ขนาดที่นั่นก็ยังเจอน้อําอ่ำน้ําท่วมโอบล้อมเมืองเอาไว้แต่ว่าก็ความเดือดร้อนเทียบไม่ได้กับต่างภาคเหนือภาคกลางตอนนี้คนที่กรุงเทพ ก็กำลังสแสวงหาหาที่ที่จะหลบภัย <c oughs> อย่างน้อยๆก็หาที่จอดรถนะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถที่ไหนที่เป็นที่ต่ำก็มีหวังว่าจะโดนน้ำท่วมมีคนหนึ่งนะเป็นหมอได้ทราบว่า พยายามที่จะหาที่จอดรถติดต่อตามที่ต่างๆถึงร้อยที่ร้อยแห่งก็เต็มหมดศูนย์การค้าก็ดีสนามบินก็ดีโรงแรมก็ดีตอนนี้มีปัญหามากว่าไม่มีที่จอดรถที่จอดรถนี่ไม่ได้จอดรถโชคราวนะคือจอดรถแช่เอาไว้เพราะว่าถ้าไม่งั้นนี่ก็มีโอกาสที่จะเสียรถไปได้ทั้งน้าไหลบ่ามาใครต่อใครตอนนี้ก็พยายามหาที่ สูงเพื่อเป็นที่ที่ปลบภัยใครที่อยู่ที่ต่ําก็ลําบากตอนนี้ที่สูงก็เลยกลายเป็นชัยภูมิสําหรับอ่าทุกชีวิตก็ว่าได้แต่เป็นยิ่งเฉพาะทางภาคกลางด้วยแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุทยัยลบบุรีอ่างทองกันนี้ที่สูงเป็นชัยภูมิที่เหมาะมาก ว่าคนก็ได้ไปอพยพลีภัยรวมทั้งสัตว์รวมทั้งอทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่านี้ก็ต่างเสาะแสวงหาที่สูงนั้นแพน้นของเรานี่ก็นับโชคดีวัดป่าสุกโตแล้วก็หล่นทั้งวัดป่ามหาวันด้วยโชคดีเพราะว่าเราอยู่บนที่สูงอยู่บนเขา ก็มีหลายคนนะโทรมาถามว่าเป็นอย่างไรนะสุขโตผู้หลวงท่วมหรือยังนะก็บอกได้ว่าไม่ท่วมเพราะว่าเราอยู่บนที่สูงเราอยู่บนชัยภูมิที่เหมาะนะที่จริงจังหวัดชัยภูมินี่ก็นับว่ามีชัยภูมิที่ดีหลายแห่ง น, ะนอกจากเป็นจังหวัดทางภาัยสานซึ่งเป็นที่รับสูงแล้วนะก็ยังเป็นมีภูเขามากมาย มีที่สูงมากมายนะสำหรับออพยบลีภัยหรือว่าสำหรับการที่จะปลอดพ้นจากภัยน้ำท่วมฝนจะตกพายุจะแรงแค่ไหนอย่างมากเราก็ท่วมแค่วันสองวันแล้วก็ที่เหลือก็อปลอดภัยน้ำก็จะไหลบ่าไปท่วมที่อื่นแทน แต่ก็อย่าประมาทนะเพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนเพราะว่าธรรมชาติตอนนี้นะกำลังพิโรธเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดภัยน้ำท่วมขึ้นมาได้หลายแห่งหลายที่ที่คิดว่าปลอดภยัยนะปลอดภัยจะเป็นเพราะว่า มีชัยภูมิที่ดีหรือเพราะว่าเชื่อว่ามีวิธีการจัดการน้ําที่ดีก็ตอนนี้ก็อยู่ใต้น้ําไปเรียบร้อยแล้วนะั่นก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามนะก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะจากน้ําท่วมได้แต่อย่างไรก็ตาม หากว่าภัยนั่นมาถึงนะก็ให้มันท่วมแต่บ้านนะอย่างมากเดีย๋ยวให้มันท่วมใจด้วยอย่างมากก็ต้องหาให้ใจนี่มีชัยภูมิที่เหมาะนะต้องหาที่ตั้งหาที่อยู่ให้กับใจถึงแม้ว่าบ้านเราอาจจะอยู่ในอาจจะไม่อยู่ในชัยภูมิที่เหมาะ เพราะเป็นที่ต่ำํำแต่ก็ขอให้ใจของเราเนี่ยตั้งอยู่หรือหาชัยภูมิที่เหมาะให้จิตใจของเราได้ตั้งอยู่ตรงนั้นให้ได้ตอนนี้สําคัญมากนะผู้คนกําลังหาชัยภูมิที่เหมาะสําหรับอตัวเองสําหรับลดสําหรับอข้าวของทรัพย์สินแต่ว่าอาจจะลืมการหาชัยภูมิให้กับใจของตัวเอง นั่นก็เลยตื่นตะหนกกันใหญ่นะไม่ว่าคนที่อยู่ในที่ราบที่ต่ําหรือที่สูงก็ตื่นตะหนกนะเพราะว่าใจนี่ไม่ได้อยู่ในชัยภูมิที่ตั้งที่สมควรแต่ถึงแม้ว่าจะจะโดนน้ําท่วมไปแล้วนะท่วมบ้านบางทีตัวอาจจะโดนท่วมไปแล้วครึ่งตัวแต่ว่าก็ยังไม่สายนะที่จะหา ชัยภูมิให้กับใจของเราพาใจให้ไปอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะนะอะไรคือชัยภูมิของใจนะก็คือฐานรู้หรือสตินั่นเองถ้าเราเอาจิตมาตั้งอยู่บนฐานรู้คือมีสติก็เรียกว่าปลอดภัยพอสมควรนะถึงแม้ว่า บ้านจะท่วมตัวจะโดนน้ำนะโอบรอบนะแต่ถ้าใจเรามีชัยภูมิที่ตั้งมีสติเราก็ไม่ทุกนะมันทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกเสียแต่ซักแต่ว่าใจไม่เสียด้วยพยายามตั้งจิตอยู่บนฐานรู้ให้ได้นะฐานรู้ตัวรู้เนี่ยคือสติ นะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้สตินี่ช่วยยกจิตของเราให้เหนืออารมณ์ถ้าเรารู้จักตั้งจิตอยู่บนฐานรู้นะก็จะสามารถกอบกู้ใจจากอารมณ์ได้อารมณ์นี่มันก็เหมือนกับ น, น้ำมันนะบางทีมันก็ท่วมนะมันท่วมใจเรานะถ้าเราไม่รู้จักหาใจ ให้ตั้งอยู่บนชัยภูมิที่สูงเข้าไว้แล้วนี่ใจเราก็จะถูกอารมณ์มันท่วมท้นแล้วบางทีก็สำลักนะสำลักอารมณ์สำลักความโกรธนะบางทีก็จมหายไปเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเครียดหรืออย่างตอนนี้นี่นะหลายคนก็กำลังตื่นตระหนกมากนะจนกระทั่ง บางทีก็แสดงพฤติกรรมในทางที่น่าเกลียดเช่นเห็นแก่ตัวหรือว่าโกรธแค้นมีความอิจฉามีหลายแห่งที่มีความขัดแย้งกันมากเพราะว่าถนนฟากหนึ่งนะน้ำท่วมบ้านเรือนจม แต่ถนนอีกฝั่งหนึ่งมันแห้งเพราะว่ามีการอ่าป้องกันน้ํามีการทําอ่ากําแพงกระสอบทรายชาว บ, บ้านฝ่ายที่โดนน้าท่วมเนี่ยก็จะมีความไม่พอใจไม่พอใจแล้วทาไงก็จะไปพยายามรือ้อกระสอบทรายเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยท่วมเหมือนบ้านตัวเองด้วย นะก็คิดว่าฉันท่วมแต่คนอื่นไม่ท่วมได้ยังไงนะมันต้องท่วมเหมือนฉันถึงจะเท่าเทียมกันนะคิดแบบนี้ก็เลยช่วยกันไปลือกระสอบสายอาจจะคิดว่าทำเช่นนั้นแล้วจะทำให้บ้านของตัวเองเนี่ยน้ำท่วมน้อยลงแต่ปรากฏว่ามันกลับเดือดร้อนคราวนี้แผ่ขยายกว้าง คือคนเราไม่ค่ยได้ตระหนักว่าถึงแม้ฉันบ้านฉันท่วมแต่ว่าถ้าบ้านอีกฝั่งหนึงไม่ท่วมเนี่ยมันไม่ใช่ดีสําหรับเพื่อนของเราเท่านั้นแต่มันดีสําหรับเราด้วยอย่างน้อยเราก็จะมีที่อพยพหลีภัยนะหรืออย่างตําๆก็มีที่จอดรถมอเตอร์ไซคใครมีรถปิกอัพก็มีที่จอดเพราะมันมีพื้นที่ที่แห้งแต่คนนี้ด้วยความอิจฉานั้นด้วยความไม่พอใจ ก็พากันไปรื้อบางทีเจ้าหน้าที่ก็ต้องต่อสู้กับชาวบ้านที่จะไปลื้อกระสอบทรายนะซึ่งก็ไม่ได้มีดพอถ้ารื้อเสร็จก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับใครนะตัวเองก็เดือดร้อนนะจะหาที่ อ, อพย์รีบภัยก็ไม่มีแล้วเพราะมันท่วมไปหมดคราวนี้ก็ต้องโยกย้ายไปที่ไกลขึ้นนะอันนี้เพราะอะไรเพราะขาดสติ ขาดสติก็เลยเกิดความกลัวเกิดความอิจฉาความเปกนกตัวครอบงาฉันลำบากแต่คนอื่นสบายไม่ได้นะหาคิดไวมว่าถ้าคนอื่นก็สบายแล้วเขาก็จะมีกำลังมาช่วยเราเนะเวลาจะเอาอาหารมาแจกให้กับผู้คนแถวนั้นเขาก็จะมีที่ทําทครัวและที่ปฏิบัติการได้อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แค่ฝากถนนแค่นั้นเอง แต่พอช่วยกันลื้อจนมันท่วมไปหมดแล้วก็คราวนี้ก็คนหนึ่งก็ช่วยลำบากแล้วก็ต้องอบพยียบรีภัย ไ, ไปที่สูงอย่างเดียวเห็นไหมว่าใจถ้าขาดสตินี่มันถูกอารมณ์ท่วมทับแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะความกลัวมไม่ใช่แต่เฉพาะความทุกข์แต่ว่าความโกรธความอิจฉามันก็ครวบคุมมันก็ครอบงำใจ บางคนก็กินไม่ได้มาไม่หลับนะเพราะว่ากลัวว่าเมื่อไหร่น้ําจะท่วมสักทีบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายก็มีนะมีคนที่ถูกน้ําท่วมไล่นาเสียหายคงเป็นนี่เป็นสินเยอะเป็นนี้เป็นสินอยู่ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกู้จะแก้นี่อย่างไรจะถ่ที่ยังไงน้ําท่วมก็ท่วมเป็นเป็นเดือนแล้วก็มีหาทางออกไม่เจอชีวิตติดตัน ก็เลยฆ่าตัวตายนะอันนี้เพราะว่าไม่สามารถหรือไม่รู้จักหาเชื้ภูมิให้กับจิตใจของตัวเองได้นะการที่คนเราเนี่ยมีสติปัฐานหรือว่าสติเป็นที่ตั้งของใจเนี่ยสำคัญมากให้มั่นใจว่านั่นแหละคือชื้ภูมิที่เหมาะมากของใจเพราะว่าเมื่อตั้งจิตอยู่บนฐานรู้ ตัวรู้แล้วเนี่ยก็สามารถเชื่อกอบกู้ใจออกจากความทุกข์ได้แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านของเรากับที่นาของเราหรือแม้แต่กับร่างกายของเราให้ความทุกข์นั้นนี่ก็ไม่สามารถที่จะทะลุดทะลวงมาถึงใจได้นะมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นเท่านั้นคือเสียทรัพย์ หรือว่าร่างกายเจ็บป่วยแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะใจยังสงบเป็นปกติอยู่ได้นะไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นะเป็นไปได้นะแม้แต่ในายามที่กำลังมีความทุกข์อยู่รอบตัวแต่ว่าใจเราเนี่ยสามารถไม่ทุกข์ได้ตัวอยู่ในน้าหรือว่าตัวอยู่กลางน้าเนี่ยแต่ใจนี่มันอยู่เหนือน้านี่ทาได้นะ เพราะสตินี่เป็นสิ่งที่ช่วยยกใจให้ขึ้นสูงให้อยู่เหนืออารมณ์ให้อยู่เนออหเนือความทุกข์ให้อยู่เหนือน้ำได้นะแล้วเมื่อจิตของเราเนี่ยมีที่ตั้งมีสติเป็นชัยภูมิแล้วนะถึงเวลาเราก็สามารถที่จะทำกิจที่เหมาะสมได้อย่างเช่นตอนนี้หลายคนเนี่ยพอสามารถที่จะ หลบไปอยู่ในที่ที่เหมาะเป็นชัยภูมิหรือบางคนก็โชคดีเพราะบ้านเขาเป็นที่สูงหลายคนก็ไม่ได้พอใจเพียงเท่านั้นคือรั่วตัวเองปลอดภัยแล้วก็ยังมีน้ำใจนะออกไปช่วยผู้คนที่เดือดร้อนนะคนเ่านี่ๆกำลังบำเพ็ญโพธิสัตวธรรมนะบำเพ็ญหน้าที่ของชาวพุทธ ก็คือว่าเมื่อตัวเองปลอดภัยก็ไม่ได้เอาแต่ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ภัยเข้ามาถึงตัวเท่านั้นแต่ว่ายังลงไปออกไปช่วยผู้คนอมีคนเหล่านี้เยอะมากนะเราก็จําเป็นต้องมีคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความเดือดร้อนมันแผ่ขยายไปมากไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาทําครัวหออาหารหรือว่า บรรจุทรายสายกระสอบหรือว่าเอาของนี่ไปแจกอันนี้เป็นงานเร่งด่วนนะที่ต้องอาศัยอผู้คนซึ่งต้องอาศัยใจที่มีเมตตาด้วยแล้วคนที่เขาปลอดภัยแล้วเนี่ยนะจําเป็นอย่างยิ่งหรือว่าควรอย่างยิ่งนะที่จะเข้าไปช่วยผู้ที่เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นวิสัยของชาวพุทธนะเมื่อว่า ใจของเราเนี่ยอยู่บนชัยภูมิที่ตั้งที่เหมาะแล้วนะเราก็ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วพอใจตรงนั้นอย่างเดียวเราก็ลงไปช่วยคุณผู้อื่นด้วยถ้าหากว่าอยู่เฉยๆอยู่สบายใจฉันปลอดภัยแล้วไม่ทําอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราต้องเข้าไปช่วยเขานะแต่ก็อย่าลืมว่าเมื่อเข้าไปช่วยแล้ว เขาอยู่ท่ามกลางความทุกข์แล้วเนี่ยต้องรู้จักยกใจให้เหนือทุกข์ด้วยไม่ใช่ไปทุกข์กับเขานะทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกข์ใจนะส่วนตัวจะเปียกจะหิวอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาก็เป็นสิ่งที่ควรทําเพราะว่าเราไปร่วมทุกข์ร่วมสุข ก, กับเขาอันนี้เป็นหน้าที่เนะมื่ออย่างที่เราได้แผ่เมตตาเมื่อสักครู่เนี่ยนะ ให้เราลองนึกแผ่เมตตาไปถึงคนที่เขาเดือดร้อนจับภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นภัยเฉพาะหน้าแล้วก็หลายคนหนึ่งในนั้นหลายคนในนั้นก็เป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เรารู้จักเมื่อเราแผ่เมตตาไปแล้วเราก็หาโอกาสาที่จะเข้าไปช่วยเขาเช่นบริจาคเงินสละเวลาไปไปจิตอาสาเสร็จกฐินแล้วใครนะกลับไปกรุงเทพกลับไปบ้านก็อยู่ที่ไหนก็ตาม มีโอกาสที่จะช่วยคนเหล่านั้นได้หรือดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าไปออกเรี่ยวออกแรงไปอยู่ร่วมทุกข์กับเขานะในพื้นที่แต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าต้องหาที่ตั้งหาชัยภูมกกิปัจจัยของเรานะขาดไม่ได้การไปช่วยเขานี่ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าให้ใจเราไปถูกน้ํามันท่วมทับหรื อ, อ ท่วมทนไปด้วยนะต้องในระหว่างที่ช่วยเขานะมือช่วยกายนี่อยู่เคียงข้างเขาใจนี่เราอ่าก็ยกจิตให้สูงขึ้นนะคือมีสติเอาไว้อยู่ตลอดเวลานะเขาตื่นตระหนกเขาเสียใจนะแต่ว่าเราก็อ่ารู้ทันอาการที่เกิดขึ้นหลังนั้นไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเสียใจไม่ได้แปลว่าจิตใจไม่หวั่นไหวไม่ได้แปลว่าใจเราต้องแข็งกระด้าง นะธรรมดางคนเรานะแม้เราจะไปช่วยเขาแม้จะแม้เราจะปลอดภัยแต่เห็นคนที่เดือดร้อนเหล่านั้นใจเราก็อดจะสงสารเห็นใจบางคนก็อดจะอดร้องไห้ไม่ได้ที่เห็นเขาเดือดร้อนแต่ก็ให้มีสติรู้เมื่อมีสติรู้แล้วเนี่ยสติก็จะทําหน้าที่ดึงจิตของเรานะออกจากอารมณ์เหล่านั้นข้ไม่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้ น, นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็ทําอะไรแล้วไม่ได้นะ ใจเราก็ผ่องแผ้วนะตัวเราเปียกแต่ใจเราไม่เปียกเราก็มีกำลังมีสติปัญญาที่จะช่วยเขาได้ดีขึ้นนะสตินี่มันสำคัญมากนะและต่อไปถ้ามีสติมากอย่างที่เรารู้อย่างที่เราได้มีประสบการณ์คือว่าปัญญาก็จะเกิดขึ้นและปัญญาก็จะช่วยทาให้เราเนี่ยช่วยยกจิตของเราให้สูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะ การที่เราจะมองออกไปอะไรให้กว้างไกลก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าเราอยู่บนภูเขาเมื่อเราอยู่บนภูเขาแล้วก็เราก็จะมองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลนะตอนนี้เนี่ยการแก้ปัญหาอน้ำท่วมในภาพรวมเนี่ยมันมีปัญหามากนะแต่ละคนคิดแต่จะแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะจุดน้อยคนที่จะมองเห็นภาพรวม ก็เลยกลายเป็นว่าปัญหามันก็เลยลุกลามบานปลายนะแต่ละคนมองไปไม่พ้นจังหวัดของตัวมองไปไม่พ้นอำเภอของตัวมองไม่พ้นตำบลของตัวหมู่บ้านของตัวนะสมัยที่ยังไม่ลุกลามขนาดนี้ต่างฝ่ายต่างก็คิดแต่จะสูบน้ําออกจากบ้านของตัวออกจากชุมชนของตัวทุก คนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกจังหวัดคิดแบบนี้หมดและน้ํามันจะไปไหนอะน้ําก็เวียนกลับมาหาเรานะเพราะแต่และคนคิดแบบนี้ไม่มีใครที่จะมองภาพรวมเพราะว่าไม่ได้อยู่บนที่สูงนั่นเองนะสมัยนี้โชคดีเรามีดาวเทียมที่ทําให้เห็นว่าไอมวล น, น้ํานะจากที่ต่างๆนี่มันมาตรงไหนมันพุ่งไปที่ไหนแต่ว่า บางทีก็ใช้ความรู้แบบนี้เนี่ยช้าไปการมองเห็นอะไรในภาพรวมสำคัญมากอันนี้ก็ต้องอาศัยใจที่อยู่บนที่สูง เ, เหมือนกับเราอยู่บนภูเขาเรามองอะไรได้ไกลๆเราก็รู้ว่าจะจั ด, จดการอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่แต่จะแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะที่ถ้าว่าจิตของเราอยู่บนที่สูงเพราะสติพระปัญญาเราก็จะเห็นความจริงได้ชัดเจนมากขึ้น แต่ถ้าเราจมนะอยู่ในที่ต่ํานะมันมองอะไรก็มองแคบเช่นอยู่ในจมอยู่ในปัญหาอย่าจมอยู่ในปัญหาเนี่ยเรามองเห็นทางออกไม่ค่อยชัดหรอกนะจนกว่าเราจะออกมาจากปัญหาอย่างไรก็ชั่วคราวแล้วเราก็จะรู้ว่าอ้อจะมีทางออกอย่างไรนะปัญญามันเกิดขึ้นเริ่มจากการที่เราเนี่ยพาตัวออกมาพาใจออกมาจากปัญหาก่อน ไม่ใช่จะปัญหาน้ําท่วมอย่างเดียวปัญหาชีวิตปัญหาต่างๆหลายอย่างนะถ้าเราจมอยู่ในปัญหาแล้วเนี่ยนะมันมองไม่เห็นทางออกนะมันออกไม่ได้เหมือนกับเราอยู่ในความคิดอนะเราก็จมอยู่ในความคิดจนกว่าเราจะออกมาจากความคิดเราก็จะเห็นความคิดและเพียงแค่ออกมาจากความคิดนั้นก็ทําให้เรารู้ว่าอความคิดนั้นเนี่ยมันเป็นของที่มาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราว คนเราถ้าจมอยู่ในปัญหาเนี่ยมันก็จะเคลียรปัญหานั้นถาวรเป็นนิรันดร์แต่เพียงแค่เราพาใจออกมาจากปัญหาเราก็จะเห็นว่าปัญหาเรานี่มันไม่เที่ยงมาชั่วคราวแล้วก็เป็นปัญหาที่เล็กกว่าที่คิดเวลาจมอยู่ในปัญหาเนี่ยเราจะรู้สึกปัญหามันใหญ่เหลือเกินคนที่เรียนไม่จบคนที่ทํอาอวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จนะถ้าจมอยู่ในปัญหาแบบนี้บางทีค่าตัวตายได้นะ มีหลายคนข่าตัวตายเพียงแค่ว่าเรียนไม่จบหรือว่าทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จหรือว่าสอบได้เกรดนะสามจุดห้าแทนที่จะเป็นสี่แค่นี้ก็เครียดจนข่าตัวตายแล้วเพราะอะไรเพราะใจมันอยู่กับปัญหาไม่รู้จักออกมาจากปัญหาถ้าออกมาประจุระโอมันเรื่องนี้เรื่องแค่นี้มันเล็กนิดเดียวนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย ถึงไม่จบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตายหลายคนก็อยู่ได้ทั้งที่จบแค่ป .6 ม .3 เท่านั้นเองนะสติมันช่วยทำให้เราพาจิตออกมาจากปัญหาหรือว่าอยู่สูงอยู่เหนือปัญหาและพอมองปัญหาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเล็กอะไรก็ตามเนี่ยเวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เสมอนะแต่พอเราอยู่บนที่สูงมองลงมาโอ้มันกลายเป็นเรื่องเล็กนะ บ้านใหญ่แค่ไหนพอเราอยู่บนภูเขาก็กลายเป็นบ้านเล็กนะปัญหามันจะกลายเป็นปัญหาเล็กถ้าว่าเราพาจิตออกมาจากอารมณ์ยกจิตเหนือเอปัญหาเราก็จะเห็นความจริงเราก็จะรู้จักมันอย่างที่มันเป็นมากขึ้นมันจะไม่ใช่เป็นของชั่วคราวอาจจะไม่ใช่เป็นของนิรันดรถาวรแต่เป็นของชั่วคราวมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตคอขาดบาดตายแต่มันเป็นเรื่องเล็ก เมื่อรู้เช่นนี้นะเราก็ปล่อยวางได้เราก็ผัวรอยเยาะมันได้นะอระธรเชื่อว่าแม้กระทั่งปัญหานาำท่วมที่เกิดขึ้นจนกระทั่งหลายคนอ่าหมดเนื้อหมดตัวถ้าจมอยู่กับปัญหาเนี่ยมันก็จะหาทางเอาไม่เจอจนกระทั่งคิดฆ่าตัวตายแต่ถ้าว่ามีสติยกจิตขึ้นมาออกจากปัญหานะมองปัญหานั้นใหม่อีกทีก็จะรู้ว่าเรา จกแก้ปัญหานั้นได้ในทีสุดล้วก็จะมีทางออกนะไม่ว่าจะเสียบ้านเสียที่ไปก็หรือเสียรถก็จะมีปัญญาหาใหม่ได้ในะชีวิตนี้มันจะให้ความวังกับเราถ้าว่าเรายกจิตนะขึ้นสูงหรือว่ายกจิตออกมาจากปัญหาเหล่านั้นนั่ถึงบอกว่าสติเนี่ยมันเป็นชัยภูมิที่สำคัญมากที่เราต้องหาให้กับจิตใจของเรานะ แล้วเมื่อเราพยายามที่จ ะ, จะเจริญสติอยู่เสมอสติยกจิตขึ้ น, ส, นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะในที่สุดเราไม่เพียงแต่จะพ้นจากปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะอันท่านั้นแต่สามารถจะพ้พนจากความทุกข์ทั้งมวลได้เพราะเราจะเห็นความทุกข์อย่างที่มันเป็นนะความทุกข์มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะแล้วคือเราเผลอทุกเพราะว่าเรามีตัวเราอยู่ มีความยึดติดถือมั่นในตัวเรามีความยึดติดถือมั่นว่าสิ่งหลังสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของเราบ้านเป็นของเราที่ดินเป็นของเราพอคิดแบบนี้ก็ทุกข์แต่พอมีสติจนเกิดปัญญาก็รู้ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ของเรานะันมันเป็นเพียงแต่ของที่ผ่านมาชั่วคราวที่จริงไม่ต้องเจริญสติถึงขั้นเห็นเกิดปัญญาญ า, ยายขึ้นมา เพียแค่จเจริลมราณะสติก็จะรู้ว่าไอ้ของที่เรามีและสูญเสียไปนั้นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นความสูญเสียเลยนะมันเป็นเพียงแต่การคืนสู่ธรรมชาติเพราะเมื่อเราเกิดมาเราก็มาแต่ตัวจริงอยู่ถึงเวลาตายเราอาจจะไม่ได้ตายตัวเปล่าอาจจะมีเสื้อผ้าอาภรห่มร่าง แต่ก็ไปอย่างมือเปล่าเหมือนกันเราเกิดมามือเปล่าแล้วก็ไปมือเปล่าระหว่างทางเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเราก็เป็นของชั่วคราวและสิ่งที่เสียไปมันก็ไม่ใช่เสียไปจริงๆอย่างมากก็แค่เท่าทุนคือถึงแม้หมดเนื้อหมดตัวก็เรียกว่าเท่าทุนนะเพราะว่าเรามาเรามาตัวเปล่าเนี่ยเรามามือเปล่าเพราะฉะนั้นเราเหลือแต่ตัวนี่ก็ถือว่าเท่าทุนไม่ได้เสีย ไม่ได้เสียอะไรนะนี่ถ้าเราคิดถึงแบบนี้คือการเจริญมรณาสติแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยคลายจากความเศร้าโศกพราะไปสําคัญผิดว่าสูญเสียโน่นสูญเสียนี่ได้แล้วยิ่งถ้าเรามีสติจนเกิดปัญญาจนเห็นว่าไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยแม้กระทั่งร่างกายก็ไม่ใช่ของเราการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย รวมทั้งเราก็จะรู้ทันสมมุติด้วยนะไอ้สมมติคำว่าของเรานี่ก็สมมุตินะแต่ว่าสมมุติที่หยาบ ก, กันนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไปติดเนชะ่นความรวยความมั่งมีความมีชื่อเสียงไอ้พวกนี้ก็สมมุติทั้งนั้นความเด่นความดังแต่คนเราก็ไปหลงติดมันแต่เมื่อเราตามที่เรายกจิตขึ้นสูงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีความหมายเท่าไหร่ นมันจะถูกลดความสําคัญลงไปเหมือนกับเวลาเราอยู่บนเขาเนี่ยนะเราจะแยกไม่ออกเลย ว, ว่าข้างล่างเนี่ยคนไหนเป็นคนรวยคนไหนเป็นคนจนอยู่ข้างล่างนี่เราเห็นนะเอาคนนี้คนรวยนะเขาใส่ทองเขาเขามีทองเขาสวมเสื้อผ้าราคาแพงเขาถือกระเป๋าหลุยวิตตองนะรองเท้าก็าราคาเป็นหมื่นแต่ว่าอยู่ข้างบนนะให้คนรวยคนจนนี่เหมือนกันหมดเลยคือเป็นแค่จุด นอย่าว่าแต่คนเลยคนจนเลยผู้หญิงผู้ชายก็ยังแย่ไม่หออกล้วคนไหนผู้หญิงผู้ชายคนไหนคนไทยฝรั่งนะคนไหนผู้จัดการคนไหนยาจะคนไหนรัฐมนตรีอคนไหนเป็นสมียนไอ้พวกนี้มันไม่มีความหมายเลยเมื่ออยู่บนที่สูงเพราะว่ามันมันเราเห็นแต่เห็นแต่ละคนเป็นแค่มนุษย์นะไม่ใช่ว่าเป็น คนรวยคนจนไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีหรือว่าอ่านักการพันลงเราเห็นแค่ทุกคนเป็นคนเหมือนกันหมดอันนี้เรียกว่ามันอยู่เหนือดยูเหนือสมมุติแล้วนะสมมุติไม่มีความหมายมาละลายหายไปอันนี้เรียกว่าอยู่เหนือสมมุติเพราะว่ามีปัญญาในตอนเด็กกันถ้าว่าเรายกจิตขึ้นสูงจนกระทั่งเรามีปัญญาอยู่เหนือสมมติเนี่ยเราก็จะปฏิบัติต่อผู้คนเท่าเทียมกัน นะไม่ได้เห็นว่าใครดีพิเศษกว่ากันเราปฏิบัติต่อเข้าเหมือนกับเป็นเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ยังเหนือโลกธรรมด้วยนะลาบยศสุขสารเสริญไอ้พวกนี้มันเป็นโลกธรรมที่ถ้าเราไปยึดติดแล้วนี่เราก็ทุกข์นะเพราะว่าถึงคราวมันก็เสื่อมลาบถึงคราวก็เสื่อมยศถึงคราวก็มีคนดินทาถึงคราวก็มีความทุกข์มารบกวนรังควานแต่ถ้าเรามีสติ เกิดปัญญาขึ้นมาจิตอยู่เนื้อสมมุตินะเราก็จะอยู่เนื้อลอกธรรมเมื่อเหนืออลอกธรรมแล้วความทุกข์ก็ไม่สามารถจะแผ่ผ่านได้นะเหมือนกับที่เราอยู่บนเขาแล้วน้ํากระแสน้าก็ไม่สามารถที่จะพัดพาเราให้ให้เป็นอันตรายนะหรือถึงกับเสียชีวิตได้ก็อยากให้เราได้ลองได้ไ ด, ได้เห็นความสาคัญนะ ของการที่จะหาชื้อผู้ให้กับจิตใจของตัวในระหว่างนี้ก็หาชื้อผู้ให้กับร่างกายให้กับทรัพย์สมบัติของตัวด้วยแลใครมีรถถ้าอยู่กรุงเทพก็ต้องหาแล้วน ะ, จะเจ้ารถไปฝากไว้จจที่ไหนจะจอดที่ไหนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถึงแม้จะหาไม่ได้แล้วก็อย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยสิ่งสําคัญก็คือจะต้องหาชัยอูใ้ใกับจิตใจของเราด้วยวก็พูดกันเท้านี้เท่านี้นะเช้านี้อกราบพระ